มันก็สแสดงของอทั้งกายนิ้วมือที่มันโดดไปเต้นไปฮัดใหม่ๆก็คําไปคําหามาอยู่ตรงไหนเหรอลาโดลาจอนมาอยู่ตรงไหนจอนเมจจอนลามาอยู่ตรงไหนก็ ม, มือก็เต้นไปมันเต้นไปถูกโนดตมันก็ดังดังมันก็มีโน้ตมันจะเต้นไปยังไงตาม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 ตอนตายอกับไก่สมัยก่อนนู้นอยู่สชลาไก่ก็ดูแลบางทีไก่น้อยลูกเกี๊ยบแม่มันขึ้นต้นไม้แต่ลูกมันตัวเล็กบินไม่เป็นมันก็ร้องอยู่ข้างล่างแม่มันก็เรียกอยู่กุกกุกอยู่ต้นไม้นอนลูกมันก็ร้องอยู่แม่ก็บินลงมามาเรียกลูกแม่ก็บินขึ้นไปอีก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 จิตอื่นที่ทำไม่มีอีกแล้วสนุกทำงานล้วะนะสนุกทำงานนะคนไม่มีอะไรเนี่ยมันสนุกทำงานนะชาติเึ้นแล้วพระมจันท์อยู่จบแล้วเนี่ยมันสนุกทำงานทำการเหมือนอาจารย์พืท่านนะทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่ฉันไม่ใช่นอนนะมันนอนไม่เป็นหรอก ถนอนก็นอนตามธรรมชาติของสัต์พระสัตว์ทั้งหลายให้ชี้ขี้เกียจที่ข้านเอามาสร้างอันนี้พวกเรามาสร้างสติโยจะวชิตังเชเบกุสิโตหิวีริโยเอกาหังชีพตังสยโยอุโบโตบประยับปยังจำไม่ได้หลวงพ่อเทียนพูดดีดีผู้มีสตินี้ความเพียรมั่นคงมีชีวิตวันเดียวประเจิดกว่า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 ไปหาเองไปตอบเองเป็นคําตอบออกมาเองอย่างคาถาของพระอาจารย์ชีปาคาถาของพระองค์ปริมานเขาก็คิดกันมาเองเขาได้เอ ง, ไ ด, เองได้จากของเขาเองอาจาริ์ชี้ปติจธไปถามเมื่อท่านรู้อะไรท่านจึงมีเกียริมรรคงามขนาดนี้อาจารยชีก็บอกว่าเราบวชใหม่ดังพูดอะไรไปบ้างได้มาก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 มีต้นกระแบใหญ่อ ย, อยู่ต้นที่จอมปลวกที่มีถังน้ำเน่ยคนก็วิ่งหลบโคต้นกระแบกช่างมันเอาคนไม่ได้กันกลับมามาเอางวงเนี่ยยกก้นช่างตัวมันลงมลงเอางวงสอดเข้างามขามาแล้วเขาก็ายกขึ้นมาก็ยืนขึ้นนายพันเขาเล่าให้ฟังนะเราไม่เห็น <c oughs> เราช่างอีกช่างอีกเจตัวสองตัวที่เป็นตัวเล็กเข้าเทียมข้างแหละ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 เหมือนประจันพ่จากแม่ไปเจอโอ้โตเราเนี่โอ้โตเราเนี like gambling, ่มันชั่วขระดานนี่งานเหลือเกินที่จะได้ยินคำพูดอย่างนี้อาจจะเป็นสาเกวงเสียถ้าออกบวชเป็นตรงนี้หรือเปล่านาะได้ยินข่าวว่าต่จสรู้เป็นพระเจ้าผงเป็นตรงนี้ละมั้งเกิดมาไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้เลยทิ้งดาบลงไปก้มลงให้เสียๆ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 อระเจ้าประเสริฐไดโกชอก็ก้มกับอาชจริงนึกว่าเจาปืนไปยิงโคนิมานให้ตายซะแต่พระเจ้าเอาทำไปปราบก่อนกไอยเป็นหมดพิษปดสงไปเลยนี่คือหลักชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ตำรวจทหารไปตั้งกองทัพอยู่ภาคใต้แข่นฆ่ากันตายเป็นรายวันแต่พวกเราจะต้องทำานะ้นหรือมรดเราเนะี่ยมาส้อนกันอย่างนี้